ตอนที่8ความพยายามก่อนปรสรู้ในประเทศอินเดียสมัยนั้นมีาศาสดาผู้สอนลัทธิมากมายหลายสำนักเช่นเดียวกับสมัยนี้ในบรรดาเจ้าลัทธิเหล่านี้มีาศาสดาผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งนามว่าอาลาระกาลามะพระสิทธัตถะได้ทรงไปศึกษาอยู่กับท่านผู้นี้ด้วยความเพียรพยายาม จนสามารถเรียนรู้และกระทำได้เทียบเท่าอาจารย์ทุกอย่างท่านอาลาระกาลามะมีความพอใจในความสามารถของพระองค์จนวันหนึง่งได้กล่าวแก่พระองค์ว่าบัดนี้ท่านได้รู้ทุกๆสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้ท่านจึงสามารถสั่งสอนลัทธินี้ได้เช่นเดียวกับข้าพเจ้าสอนจงอยู่ที่นี่ด้วยกันช่วยกันสั่งสอนสิทธิสื่อไปเถิด พระองค์ได้ตรัสถามว่าท่านอาจารย์ไม่มีสิ่งใดสอนข้าพเจ้าอีกแล้วหรือท่านอาจารย์ไม่สามารถสอนวิธีที่จะทําให้มีอํานาจเหนือความเป็นอยู่ความเจ็บไข้และความตายเสียแล้วหรือท่านอาจารย์อาลาระดาบทได้ตอบว่าไม่มีเลยและข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อว่ามีผู้ใดในโลกนี้มีความรู้ในข้อนั้น วิชาที่ท่านอาระกาลามะได้นำมาสอนแก่พระสิท ธ, ธัะโดยสิ้นเชิงแล้วนั้นคือวิธีกระทําจิตให้เข้าถึงขั้นสงบเงียบจนไม่มีความรู้สึกว่ามีสิ่งใดในโลกนี้หรือโลกไหนไหนจนเป็นที่พอใจและมีความสุขอยู่ในความสงบนั้นแต่นี่ก็ไม่ใช่วิธีที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ได้พระองค์ได้เสด็จออกสแสวงหาบุคคลที่จะสามารถ จะสอนให้สูงยิ่งยิ่งไปกว่าที่ท่านอาราละได้สอนไว้ลำดับต่อมาพราะองค์ได้ทราบข่าวว่าเจ้าลัทธิชื่ออุททการามบุตรเป็นผู้มีความรู้และคุณวิเศษอันสูงยิ่งทรงเข้าไปสมัครเป็นศิษย์ศึกษาและปฏิบัติด้วยความภาคเพียรอย่างแรงกล้าจนกระทั่งมีความรู้และความสามารถในการกระทาเช่นเดียวกับอาจารย์ในที่สุด ท่านอุทกรรามบุตรก็เช่นเดียวกับท่านอาราระดาบดคือมีความพอใจและยกย่องความสามารถเฉลียวฉลาดของพระสิท ธ, ธัตถะจนถึงกับออกปากชักชวนให้อยู่ช่วยสั่งสอนร่วมกันสื่อไปครั้นทรงย้อนถามเช่นเดียวกับที่ทรงถามท่านอาราระดาบดก็ได้รับคำตอบเช่นเดียวกันอันลัทธิของอุทกดาบุนี้สอนให้ได้ผลสูงในการทาจิตให้ดิ่งอยู่ในความสงบ ถึงขนาดที่ไม่มีความรู้สึกต่อสิ่งทั้งปวงได้จริงจนถึงกับจะเรียกว่ามีชีวิตอยู่ก็ไม่ใช่ตายแล้วก็ไม่ใช่แต่นั่นก็หาได้ตรงตามพระประสงค์ใหม่ทรงลาจากสำนักนั้นตั้งพระไยว่าจักเลิกแสวงหาวิชาความรู้จากสำนักของเจ้าลัทธิต่างๆแต่จักทรงหาด้วยลำพังสติปัญญาและความเพียรของพระองค์เอง ประเทศอินเดียในสมัยนั้นก็เหมือนกับในสมัยนี้ที่มีบุคคลจำนวนมากสะละบ้านเรือนออกไปเป็นนักบวชโดยพากันคิดว่าการอดอาหารและการทรมานด้วยวิธีต่างๆนั้นจะทำให้ได้รับความสุขในเทวโลกตลอดกาลนาน <S <S <Yeah. S 1> เขาพากันเชื่อว่ายิ่งได้รับความทุกข์ในโลกนี้มากเพียงไรก็ยิ่งมีความสุขในโลกหน้ามากขึ้นเพียงนั้น ความเชื่อเช่นนี้ยังมีอยู่และปฏิบัติสืบสบกันมาอย่างเคร่งครัดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ผู้บำเพ็ญพรสเหล่านั้นบางพวกได้ลดอาหารลงทุกวันจนแทบไม่บริโภคอะไรเลยจนร่างกายเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกบางพวกปฏิบัติวิธียืนด้วยขาข้างเดียวจนขาอีกข้างหนึ่งลีบตายไปบางพวกยืนยกมือข้างหนึ่ง ชี้ขึ้นไปบนอากาศอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งแขนลีบเพราะไม่มีโลหิตส่งขึ้นไปหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอบางพวกกำมือแน่นตลอดเวลาจนกระทั่งเล็บมืองอกทะลุไปโผล่ทางหลังมือบางพวกนอนบนหนามหรือบนแผ่นกระดานที่เต็มไปด้วยเหล็กแกล้มคมพระสิท ธ, ธัตถะทรงกระทําการทรมานพระองค์ด้วยวิธีต่างๆแม้ความเจ็บปวดทรมานจะเกิดขึ้นแก่พระองค์มากมายเพียงใดก็ตาม พระองค์ก็ไม่ได้ประสบผลดีไปกว่าคนเหล่านั้นทรงดำริสื่อไปว่าหากประพฤติตบะทรมานร่างกายให้มากขึ้นกว่านี้ไปจนถึงที่สุดแล้วคงจะประสบความรู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อย่างแน่นอนข้อความต่อไปนี้เป็นการกล่าวถึงการกระทําทุกรกรริยาของพระองค์ในครั้งนั้นซึ่งพระองค์ทรงนำมาตรัสเล่าแก่พระสารีบุตรมหาเถระผู้เป็นอัครสาวก ในภายหลังว่าดูก่อนสารีบุตรต่อมาเราประพฤติในความเป็นอยู่โดดเดี่ยวกลางคืนในระหว่างวันดับและวันเพ่นเราอยู่ตามโคนไม้ใหญ่ในปา่าช้าเราขนลุกชันทุกครั้ง ที่ใบไม้ล่วงหล่นเพราะแรงลมพัดหรือเมื่อนกบินมาเกาะแม้เมื่อกวางหรือสัตว์อื่นๆวิ่งผ่านมาเราก็สะดุ้งกลัวจนตัวสัน่นเพราะมันมืดจนไม่รู้ว่ามีอะไรแต่เราก็ไม่วิ่งหนีเราได้บังคับตัวเราให้ทนพะจอนกับความสะดุ้งกลัวนั้นจนกระทั่งเราชนะความกลัวได้ดูก่อนสารีบุตร เราได้ประพฤติการอดอาหารเป็นลาดับลาดับเราบริโภควันหนึ่งเพียงครั้งเดียวจากนั้นก็สองวันต่อครั้งหนึ่งสามวันต่อครั้งหนึ่งจนกระทั่งสิบห้าวันต่อครั้งบางคราวเราบริโภคแต่หญ้าบางคราวก็เป็นรากหญ้าแห้งบางคราวเราบริโภคแต่ผลไม้ป่ารากไม้ เห็ดและเมล็ดหญ้าป่ามีบางคราวเราบริโภคเพียงสิ่งต่างๆเท่าที่จะคว้าได้จากพื้นดินรอบๆตัวที่เรานั่งนั้นเราปกปิดร่างกายของเราด้วยเศษผ้าที่เขาทิ้งตามป่าช้าตามกองขยะมูลฝอยบางครั้งเราปกปิดร่างกายด้วยหนังสัตว์ ที่ตายเองตามทุ่งนาบางคราวก็ปิดด้วยแผ่นหญ้าถักด้วยพวงขนนกซึ่งตกเครี่อราดอยู่ในที่นั้นดูก่อนสารีบุตรเราอยู่ผู้เดียวในป่าเปลี่ยวไม่พบเห็นมนุษย์เป็นเดือนเดือนในฤดูหนาวกลางดึกหนาวจัดเราออกมาอยู่เสียกลางแจ้งโดยไม่ผิงไฟ ถึงเวลากลางวันแม้มีแสงแดดเราก็หมกตัวอยู่ในป่าช้าที่เย็นเยือกครั้นถึงฤดูร้อนในเวลากลางวันที่ร้อนเปรี้ยงเรานั่งอยู่กลางแดดตลอดวันครั้นถึงเวลากลางคืนเราอยู่เสียในพุ่มไม้ที่รกทึบดูก่อนสารีบุตรเราได้ประพฤติวิธีที่เรียกกันว่า ทำความบริสุทธิ์ด้วยอาหารเราไม่บริโภคอะไรเลยนอกจากถั่วสมัยต่อมาเราไม่บริโภคอะไรเลยนอกจากมเมล็ดพันธุ์ผักกาดและอีกต่อมาเราก็ไม่บริโภคอะไรเลยนอกจากข้าวเราได้ลดปริมาณลงทุกวันจนเหลือเพียงถั่วเม็ดหนึ่งหรือมเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่งหรือข้าวมเมล็ดหนึ่งต่อวัน ดูก่อนสารีบุตรเมื่อเราบริโภคอาหารน้อยเช่นนี้ร่างกายเราก็ผอมและอ่อนระทวยอย่างน่ากลัวขาของเราเหมือนต้นอ้อสะโพกที่นั่งทับของเรารูปสันฐานดังเท้าอูดกระดูกสันหลังของเราโผล่ขึ้นเหมือนเส้นเชือกสีข้างของเรามีซี่โครงโผล่ขึ้นเป็นซี่ๆเหมือนกรอนเรือน ที่ถูกทิ้งร้างตาของเราลึกอยู่ในเบ้าเหมือนดวงดาวที่ปรากฏอยู่ในโ้นบ่ลึกหนังศรีรษะของเราเหี่ยวย่นเหมือนน้ำเต้าอ่อนที่ตัดทิ้งไว้กลางแดดเมื่อเราลูบแขนหรือลูบขาเพื่อความสบายขึ้นบ้างขนก็หลุดขึ้นทั้งรากติดมากับฝ่ามือนั้น ดูก่อนสารีบุตรแม้เราได้รับความทุกจากการทรมานอันแสบเผ็ดเห็นปานนี้เราก็ยังไม่ได้รับความรู้ที่เราปรารถนาเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้จากการประพฤติภายนอกเช่นนั้นตรงกันข้ามอาจจะเกิดจากการพินิษพิจารณาจากภายใน และจากการละเสียซึ่งการประพฤติแบบชาวโลกทั้งปวงดังนี้พระสิท ธ, ธัตถะทรงท่องเที่ยวทรมานกายไปตามที่ต่างๆโดยทำนองนี้ตลอดเวลาเกือบหปีพระองค์ทรงดำริว่าเมื่อทรงกระทาจนถึงที่สุดแล้วจักได้ตรัสรู้พระองค์ได้เสด็จเวียนมาในแดนแคว้นมคธอีกครั้งหนึ่ง ยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมณสถานอันเงียบสงัดในดงไม้ไผ่ใกล้ๆแม่น้ำที่ไหลอยู่เสมอและใสสะอาดมีท่าขึ้นลงโดยสะดวกทรงพอพระทัยว่าสถานที่นี้เหมาะสำหรับนักบวชเช่นพระองค์จะอาศัยทำความภาคเพียรภาวนาในครั้งนั้นมีผู้เลื่อมใสห้าคน มาเฝ้าปรนิบัติรับใช้พระองค์เรียกว่าคณะปัญจวัคคีเขาเหล่านั้นเชื่อว่านักบวชผู้บำเพ็ญตบะกรรมอย่างเคร่งเครียดมีความอดทนและเสียสละอย่างสูงสุดเช่นพระสิทธัตถานี้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาเขาแน่ใจว่าจะต้องประสบความสำเร็จมาสอนผู้อื่นได้อย่างแน่นอน มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันหนึ่งขณะบังเอิญพระสิท ธ, ธัตถะประทับอยู่ใต้ต้นไม้ตามลำพังพระองค์เดียวพระวรากายที่อ่อนเพลียเพราะการอดอาหารและการทรมานบำเพ็ญภาวน า, นานานเกินไปพระองค์จึงล้มสลบแน่นิ่งไม่ไหวติง่งและหมดกำลังที่จะฟื้นคืนชีวิตมาได้โดยลำพังพระองค์เอง แต่นับว่ายังเป็นโชคดีของเราชาวพุทธทั้งหลายที่บังเอิญเด็กเลี้ยงแพะในบริเวณนั่นคนหนึ่งเดินมาพบพระองค์สลบอยู่และเดาได้ว่าพระองค์กำลังจะสิ้นชีวิตเพราะเขาเองก็ทราบเช่นเดียวกับคนทั้งหลายในถินนี้ว่าพระอริยเจ้าได้เว้นจากอาหารมาหลายวันแล้วเขาได้วิ่งกลับไปยังฝูงแพะและนาแพะนมมาตัวหนึ่งแล้วรีดน้านมนั้น ให้ตกจากเต้าหยดลงตรงพระโอษฐ์เพราะเขาไม่กล้าแตะต้องเนื้อตัวของพระองค์ด้วยคุณค่าของน้ำนมนั้นในเวลาไม่นานนักพระสิทธัตถะซึ่งมีชีวิตเหลืออยู่เพียงนิดเดียวเพราะหมดกําลังนั้นก็ค่อยๆทรงพระกายขึ้นได้พระองค์ทรงระลึกเป็นลําดับลําดับเพราะเหตุใดจึงได้สลบไป และเพราะเหตุใดจึงรู้สึกสดชื่นขึ้นทรงรำพึงว่าพ่เอ๋ยเรานี่โง่ามาแสนนานเราได้สละครอบครัวออกมาเป็นนักบวชไร้เรือนด้วยประสงค์จะรู้วิธีปฏิบัติเพื่อลุกสัจธรรมของชีวิตให้ลึกซึง้งแต่การที่จะให้ได้ผล น, นั้นจะต้องอาศัยการมีสมองและมีจิตใจที่เข้มแข็งให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อจะสามารถคิดและเจริญภาวนาแต่แล้วเรากลับทำร้ายร่างกายนี้ให้อ่อนเพลียทุกพลภาพด้วยการอดอาหารด้วยการทรมานอย่างตึงเครียดก็แล้วคนเราจะมีจิตใจเข้มแข็งสดชื่นในร่างกายที่อ่อนเพลียประสํารสายไร้สุขภาพเช่นนี้ได้อย่างไรกันพุทโโ่เอ๋ยเราโง่อย่างเหลือเกิน ที่มูไปเสียเวลาทรมานตัวเองให้อ่อนเปลี่ยเพลียแรงทั้งที่กำลังต้องการปฏิบัติกิจอันสูงสุดต่อ น, นี้ไปเราจักบริโภคอาหารเท่าที่ร่างกายนี้ต้องการแต่เราจะไม่บริโภคเกินควรเพราะจะทำให้มึนชาและง่วงซึมเราจักบริโภคแต่พอให้เกิดกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อว่า เราจักมีจิตใจใสกระจ่างซึ่งอาจทำให้รู้สัจธรรมได้ในที่สุดเมื่อทรงดาริได้เช่นนั้นพระองค์เหลียวไปทางเด็กเลี้ยงแพ้ซึ่งกําลังคุกเข่าอยู่ข้างๆพระองค์ตรัสขอนมแพะจากเขาชามหนึ่งเพราะนมนั้นมีผลดีต่อร่างกายพระองค์มากแต่เด็กเลี้ยงแพ้ได้ตอบว่าข้าแต่พระเป็นเจ้าข้าพระเจ้าไม่อาจทาเช่นนั้นได ข้าพเจ้าเป็นเพียงเด็กเลี้ยงแพะตระกูลต่ำพระองค์เป็นพระอริยเจ้าเป็นผู้ประเสริฐหากข้าพเจ้าสัมผัสพระองค์ด้วยสิ่งใดที่ข้าพเจ้าเคยจับต้องแล้วมันจะเกิดเป็นบาปแก่ข้าพเจ้าอย่างใหญ่หลวงทรงตอบเด็กนั้นว่าพ่อหนูเอย๋ยเราไม่ได้ขอสิ่งที่เกี่ยวกับชาติตระกูลเราขอแต่น้ำนมมันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยระหว่างเราทั้งสอง แม้เธอเป็นเด็กเลี้ยงแพะเราเป็นฤาษีแต่ในสายเลือดของเราต่างก็มีเลือดไหลอยู่อย่างเดียวกันถ้ามีโจรเอาดาบมาตัดร่างกายเราทั้งสองเลือดที่ไหลออกมาก็เป็นสีแดงอย่างเดียวกันและหากเลือดไหลไม่หยุดเราก็ต้องตายอย่างเดียวกันคนเรานี้ถ้าทำดีก็เป็นคนดีและประเสริฐถ้าทำเลว ก็เป็นคนเลวและไม่ประเสริฐนั่นแหละคือชาติและตระกูลอันแท้จริงเธอได้ทำสิ่งที่ดีมีเมตตาการุณาโดยให้นมแก่ฉันขณะที่กำลังร่อแร่จวนจะขาดใจตายเพราะอดอาหารเพราะฉะนั้นเธอจึงเป็นผู้มีชาติและตระกูลดีพอแล้วสำหรับจะให้นมแก่ฉันด้วยชามของเธอ เด็กเลี้ยงแพะคนนั้นดีใจอย่างบอกไม่ถูกในถ้อยคำอันหน้าชุ่มชื่นใจของพระมหาฤาษีชั้นพิเศษซึ่งแทนที่จะโบกมือไล่ให้เขาหลีกห่างออกไปดังที่เขาเคยประสบมาแต่กลับต้องการและยินดีจนดื่มนมจากชามที่เขาใช้ประจําโดยไม่ทรงรังเกียจเขาจึงวิ่งกลับไปนำนมแพะเต็มชามมาถวายแก่พระองค์ด้วยความร่าเริงยินดี ในข้อที่พระองค์ตรัสว่าเขาเป็นผู้มีชาติตระกูลดีอย่างเพียงพอสำหรับการถวายนมแด่พระองค์เขารับชามเปล่ากลับด้วยความปราบปลื้มและได้ก้มศีรษะนมัสการขอพรและจึงวิ่งกลับไปสู่ฝูงแพะของตนด้วยความสุขใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เมื่อพระสิทธัตถะกลับมีพระกำลังโดยการเสวยนมนั้นแล้วก็เจริญภาวนาต่อไป ซึ่งเป็นผลดีกว่าที่แล้วมานักโขนไม้นั้นพอตะวันรับขอฟ้าทรงสดับเสียงเพลงของหญิงนักร้องและนักระบบาอาชีพหมู่หนึ่งกําลังมุ่งหน้าเข้าไปประกอบอาชีพในเมืองและบทเพลงที่หญิงเหล่านั้นขับร้องอยู่ในขณะผ่านมาใกล้พระองค์นั้นจับเนื้อความได้ว่าเมื่อสายพินเราย่อนเกินไปย่อมส่งเสียงไม่น่าฟัง แต่เมื่อตึงเกินไปก็ขาดไม่อาจดังได้อีกเพราะฉะนั้นเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดใครๆไม่ควรขึงสายพินให้หย่อนเกินไปหรือตึงเกินไปแต่ควรขึงให้พอเหมาะมันจักส่งเสียงอันไพเราะโดยแท้จริงเมื่อทรงรำพึงขึ้นในพระไยว่าบทเพลงของหญิงเหล่านี้ช่างถูกต้องแท้ และได้สอนอะไรอะไรให้แก่เรามากมายทีเดียวที่แล้วมาเราขึงสายพินแห่งชีวิตของเราตึงเกินไปอย่างน่าสังเวชมันตึงเสีย จ, จนจวนจะขาดสะบัน้นถ้าวันนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเด็กเลี้ยงแพ้คนนี้เราก็คงตายไปแล้วการแสวงหาศัจธรรมนั้นเล่าก็จะจบลงที่นี่แล้วสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายจะพึงได้รับ ก็ต้องมาพลอยล้มเหลวลงอย่างน่าเศร้าเพราะความเข้าใจผิดในเรื่องอาหารนี้นิดเดียววิธีปฏิบัติทารุณร่างกายเช่นนี้ไม่ใช่วิธีอันถูกต้องสําหรับการค้นหาสัจธรรมเลยต่อไปนี้เราจะเลิกการปฏิบัติต่อร่างกายอย่างทารุณเสียโดยเด็ดขาดแม้จะระมัดระวังให้เหมาะสมที่สุดลำดับนั้นพระองค์หวนระลึกขึ้นได้ ถึงความพอพระทัยต่อความสงบสุขในขณะที่ดวงจิตดิ่งลงสู่ห้วงแห่งสมาธิจนหมดความรู้สึกต่อสิ่งทั้งปวงรอบด้านภายใต้ร่มว่าใหญ่เมื่อครั้งตามเสด็จพระราชบิดาไปในพิธีแรกนาและเมื่อพระพี่เลี้ยงมาทูลเตือนให้เสด็จกลับพระองค์ยังทรงเสียดายและยังจำได้ถึงรสสุขนั้นแม้จะยังทรงพระเยาอยู่ จากนั้นพระสิทธัตถะได้ทรงออกบินทบาททุกเวลาเช้าทรงบริโภคอาหารตามแต่จะได้มาทุกวันพระองค์กลับทรงมีพระกำลังอย่างเดิมมีพระชวีวันผุดพองดังสีทองดุจเดียวกับเมื่ อ, อยังประทับในพระราชวังในการก่อนแต่แม้พระองค์จะทรงมองเห็นอย่างชัดแจ้งว่าการทรมานกายนั้น เปรียบเสมือนการพยายามผูกอากาศให้เป็นปมหรือเช่นเดียวกับการฟันทายให้เป็นเชือกคณะปัญจวัคคีนั้นก็ไม่ได้มีความคิดหรือรู้สึกเช่นเดียวกับพระองค์เลยเขายังมีความยึดถือเช่นเดียวกับคนทั้งหลายว่าวิธีตรัสรู้สัจธรรมนั้นต้องสำเร็จจากการทรมานกายวิธีเดียวดังนั้นเมื่อคนทั้งห้าเห็นว่า บุคคลซึ่งตนยกย่องว่าเป็นอาจารย์ได้เลิกละการอดอาหารและการทรมานกายหันมาบริโภคเพื่อบำรุงบำเรอร่างกายแทนจึงกล่าวแก่กันว่าอพระสมณะโคดมสากยะปุตติยะนี้กลายเป็นคนมกักมากกลับไปสู่ชีวิตอันสะดวกสบายเสียแล้วคนทั้งห้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์อันใด ที่จะอยู่กับอาจารย์ที่เลิกละความเพียรผู้นี้จึงได้พากันละทิ้งพระองค์ไป